ที่ได้นำเสนอสู่ท่านสาธุชนนำมาจากบรรยากาศของพิธีเปิดการอบรมพระกรรมฐานประจำปีณศูนย์พุทธภาวนาวิชาธรรมกายจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดการอบรมณวัดบ้านทึงอาเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีหลวงพ่อพระครู ว, วิชิตสังคกิจรองเจ้าคณะอาเภอสามชุกเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เป็นตอนที่สองต่อจากข่าวที่แล้วซึ่งขลาวที่แล้วนั้นหลวงพ่อท่านให้โอวาดแก่พระภิกษุสามเณรและผู้เข้ารับการอบรมมาถึงตรงที่ว่าด้วยเรื่องจิตใจที่เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วจะมีเมื่อเราศึกษาและปฏิบัติจิตตามหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง ตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดศพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคุลเทพุณีถ่ายทอดสังสอนเอาไว้ตามในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำพีทางพระพุทธศาสนาว่าใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วนั้นเขาก็จะมีองค์แห่งฌานปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อองค์แห่งฌานปรากฏก็จะ อย่างเช่นปฐมฌานก็จะประกอบด้วยมีความตรึกตรองประคองนิมิตนะมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกกคคตารมอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านกําลังอธิบายมาถึงตรงนี้ว่าใจที่หยุดที่นิ่งที่สงบแล้วเป็นเช่นไรวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังธรรมโอวาทของพิธีเปิดการอบรมพระกรรมฐาน ประจำปีของศูนย์พุทธภาวนาวิชาธรรมกายประจำจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นณวัดบานถึงอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญติดตามรับฟังพร้อมกันนี่พออาตมามาเล่าตรงนี้จะสรุปให้เห็นว่าอาการบรรลุธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาศัยสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานเป็นเบื้องต้นโดยอาศัยศีลเป็นบาตรศีลคือการสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษให้กายวาจาสงบเชียไม่ว่าความเป็นอยู่ทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่มีโทษและ เมื่อกายว่าจาสงบจึงอบรมจิตใจให้สงบโดยการเจริญภาวนาสมาธิที่เราเรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานภาวนาแปลว่าทาให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นกรรมฐานแปลว่าฐานาที่ตั้งแห่งกิจทางใจซึ่ง แลความหมายก็คืออุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตยกระดับภูมิจิตขึ้นสู่องค์แห่งฌานประกอบด้วยวิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเห็นเป็นดวงใสหรือเห็นภาพที่เพ่งนั้นใส เรียกว่าวิตกวิจารพร้อมด้วยอารมณ์ปีติยินดีและใจสงบจึงเสวยอารมณ์สุขที่ละเอียดประณีตและใจรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตาจิตวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตานี้คือองค์แห่งปฐมฌานแปลว่า จิตใจได้รับการอบรมให้สงบให้หยุดให้นิ่งด้วยอุบายวิธีทำใจให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตประกอบด้วยองค์แห่งฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์ทั้งห้าคือถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจ วิจิกิจฉ้าความลังเลสงสัยเพราะเมื่อใจมันสงบมันผ่องใสสว่างแล้วอ๋อรู้ว่านิทางถูกต้องแล้วไม่ลังเลสงสัยอีกแล้วพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจก็ไม่มีเพราะอารมณ์ปีติเกิดขึ้นสบายอกสบายใจและความฟุ้งซ่านก็หมดไปน่น อุทธัจฉะกุกุจจะหมดไปเพราะจิตใจเสวยสุขอยู่ด้วยนามากายก็คือใจนั่นแหละที่กำลังสงบใสบริสุทธ์ละเอียดเนียนอยู่และความที่ใจเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไปยึดไปเกาะ อ, อารมณ์ภายนอกให้เกิด อารมณ์สุขอารมณ์ทุกไม่สุขไม่ทุกเรียกว่าเวทนาคือไม่เกิดทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นอนทุกขมาสุขเวทนาจิตนิ่งจึงกำจัดกิเลสนิวรข้อการมาฉันทะได้แปลว่าอุบายวิธี อบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงยกภูมิจิตขึ้นสู่องค์แห่งฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรัทั้งห้าคือธีนมิทธะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธจักุกุจจะและกามฉันทะเสียได้ จิตใจจึงบริสุทธ์ทองใสควรแก่งานนี้ชื่อว่าสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาที่พระพุทธองค์เมื่อก่อนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพธิสาญก็ทรงบรรลุหรือเจริญฌานสมาบัติบรรลุถึงรูปฌปานที่สี่เรียกว่าจตุตตฌาน กำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดสิ้นไปแล้วใจจึงผ่องใสควรแก่งานงานอะไรละ่ะงานเจริญวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งอุบายวิธีคือการพิจารณาให้เห็นสภาวะของธรรมชาติที่เป็นจริงให้เห็นความจริงอย่างประเสริฐเรียกว่าสัจจะทั้งสี่ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วคือทุกขสัจ สมุทยสัตว์นิโรธสัตว์และมรรสสัตว์ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งเป็นไปด้วยยานสามคือสัจญานว่าสัจจะทั้งสี่มีจริงอย่างไรกิจญานควรกำหนดรู้ว่ามีกิจที่ควรจะทำมีอย่างไรกระตะยานก็กำหนดรู้ว่าทำได้สำเร็จไปแล้วเพียงไรมีรวมเรียกว่าวิปัสนา ในเบื้องต้นเรียกว่าอนุวิปัสสนาในขั้นสูงที่เห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอรยิยสัจทั้งสี่อันเป็นไปด้วยญาณสามคือกิจสัจญาณกิจยญาณและกะตาญาณ น, นั้นเป็นโลกุตรวิปัสสนาให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ สมเด็ประสัมมาสมุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างนี้ในยามต้นแห่งราตรีเจริญชานทั้งสี่ก่อนแล้วจึงน้อมพระไทยไปเพื่อปุเพนวาส า, านุสติญาณระลึกชาติได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วนี่ในยามต้นแห่งราตรีการบรรลุ ปุพเพในวาส า, านุสติญาณนั้นชื่อว่าบรรลุวิชาที่หนึ่งยามกลางแห่งราตรีจเจริญฌานสมบัติอีกให้ใจสงบจากกิเลสนิวร์แล้วน้อมไปเพื่อจุตูปาตยานพิจารณาเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีบ้างชั่วบ้างได้รับผลกรรมคือไปเกิดในสุคติภพภูมิไหนไหน ไปเกิดในทุกติภพภูมิไหนๆบ้างอย่างไรเพราะเหตุไรแปลว่าทําดีก็ไปสุกติภพเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมอรู ป, ปรพรหมสูงขึ้นไปตามลําดับถ้าทําไม่ดีหรือบาปอากุศลก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ดีรักษานบ้างตามกรรมทรงเห็นนรกสวรรค์ตลอดไปถึงพรหมโลกอรูปโลกเห็นตลอดไปถึงอายตนะโลกัน อยู่ขอบล่างจักรวาลลงไปทรงเห็นหมดนี้เรียกว่าบรรลุวิชาที่สองจุดตูปาตยานพยายามปลายแห่งราตรีพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้ น, ต, นต้นเหตุให้เกิดทุก์เห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความทุกตามที่เป็นจริงเห็นเหตุแห่งทุกตามที่เป็นจริงก็เห็นหนทางปฏิบัต เพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกเรียกว่าอาสะวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขชื่อว่าบรรลุอาสะวะคยายานเป็นวิชาที่สามในยามปลายแห่งราตรีนี่และก็บรุพระอนุตตรสัมมาสัมพธุธญาณในตอนรุ่งอรุณพอดีของคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ นี่คืออาการตรัสรู้ของพระมหาบุรุษก่อนแต่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านเห็นได้ยินได้ฟังอย่างนี้ท่านก็พอจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยรรสัจสี่คือทุกเหตุแห่งทุก สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงให้ถึงบรมสุขได้อย่างแท้จริงอย่างนี้ก็รู้เลยทีเดียวว่าเรามาเนี่ยมาทําอะไรมาสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อมาทํานิพพานให้แจ้ง พระภิกษุสามเณรก่อนแต่จะบวชมาขอบวชมาขอบันประชาเป็นสามเณรมาขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ขอกับพระอุปชาและสงนั่นก็จะเปล่งวาจานี้แหละสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานสัจฉิกรณัตถายะนี่ว่าถ้าบวชแบบอุกาส ถ้าบวชแบบเอสาหังก็แม้ไม่ได้กล่าวคำนี้ก่อนจะจะบวชก็ต้องได้รับการอบรมว่าบวชเพื่อการนี้นะไม่ใช่บวชเพื่ออย่างอื่นนะให้บวชเพื่อการนี้และที่นี้บวชเพื่อมาสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งจะต้องมาทำยังไงอ่ะต้องมาศึกษา มาศึกษายัางไงล่ะมาเรียนรู้หลักสิหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี่ยอริยสัจสี่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งในอริยสัจสีดังที่อัตมากล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายคราเมื่อเราเข้าใจเรื่องทุกขเราก็ต้องหาทางกําจัดทุกข์โดยกําจัดที่เหตุแห่งทุกแปลว่าเราต้องรู้จักทั้งทุกและเหตุแห่งทุก เหตุแห่งทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานที่โดนจิตโดนใจให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดผิดหลงตามคนอื่นผิดผิดเนี่ยให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละนี่แหละเหตุแห่งทุกข์มีกิเลสเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้กระทำกรรมชั่วผิดศีลผิดธรรมมาศึกษารู้อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปล่ะ ปฏิบัติสิปฏิบัติยังไงอ่าก่อนอื่นก็อบรมกายวาจาซะก่อนอบรมยังไงเรื่องศีลปฏิบัติศีลโยมจึงต้องรักษาศีลรักษาศีลทำไมให้กายวาจามันสงบเริ่มตั้งแต่ศีลห้าเพราะศีลห้านี่มันป้องกันกิเลสหยาบๆยาบได้ เอาเพิ่มอีกสักสามข้อเป็นศีลแปดและไอข้อที่สามเนะี่ยเพิ่มลงไปให้มันแก่ลงไปหน่อยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการมมาคุณรวมเป็นศีลแปดศีลแปดนี่กายวาจาสงบแล้วเรื่องอาหารหลังเที่ยงไม่สนใจแล้วจะตั้งใจปฏิบัติภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวฟังธรรมด้วย เพื่อให้มันรู้แจ้งด้วยเพื่ออบรมกายวาจาให้สงบยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงใจสงบ อ, อบรมกายวาจาให้สงบด้วยศีลเรียกว่าศีลสิกขาอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทิด้วยอุบายวิธีทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิต ยกระดับภูมิธรรมขึ้นสู่องค์แห่งฌานเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปให้จิตใจผ่องใสควรแก่ ง, งานนี้เรียกว่าจิตตะศิขาการศึกษาอบรมเรื่องจิตเมื่อจิตใจผ่องใสควรแก่งงานแล้วทำยังไงอบรมปัญญาปัญญาของใครก็มีดีก็มีชั่วก็มีไอ้ปัญญานะ่ะ ถูกก็มีผิดก็มีมีปัญญาท้งนั้นแต่ว่าปัญญาที่นำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ถึงความสุขต้องเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาวธรรมเห็นแจ้งในสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่ปัญญานี่เป็นปัญญาที่เราปรารถนาที่จะนำตนไปสู่มรรคผลนิพพานได้ เพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมันจึงจะเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงได้ทรงกระทำอย่างนี้มาก่อนเจริญฌานสมาบัติเมื่อใจผ่องใสแล้วน้อมไปเพื่อวิชาที่หนึ่งที่สองที่สามก็ได้ท่านทั้งหลายเมื่อปฏิบัติจนใจสงบ พิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นแจ้งชัดพิจารณาสัจจะทั้งสี่ก็เห็นแจ้งชัดพระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดชนผู้มีสมาธิย่อมรู้ตามจริงว่านี่ทุกขนี่เหตุแห่งทุกนี่สภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับนี่หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ นี่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติอบรมกายวาจาใจไปถึงอบรมปัญญาด้วยศีลแสิกขาอบรมศีลจิตตะสิกขาอบรมจิตปัญญาสิกขาอบรมปัญญาให้เจริญให้สูงขึ้นเป็นอธิศีลแสิกขาเป็นศีลอันยิ่งคือศีล บริสุทธิ์สมบูรณ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุเป็นต้นให้ถึงอธิจิตจิตยิ่งตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วให้ถึงอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมว่าเออนี่สังขารธรรมประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้อย่างนี้หรืออริยสัจทั้ง4ีเห็นแจ้งไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำหนดรู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นอธิปัญญานี่แหละกล่าวโดยสรุปว่าเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมอยู่ณบัดนี้เพื่อมาสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง ตรงกับภาษาพระว่าสัพพะทุขะนิสรณะและมากระทำนิพพานให้แจ้งนิพพานสัจฉิกรณัตถายะโดยวิธีการศึกษาอบรมสามอย่างเรียกว่าไตรสิกขาคือจิตตะคือศีลสิกขาอบรมกายวาจาด้วยศีลจิตตะสิกขาอบรมจิตด้วยสมาธิและ ปัญญาสิกขาอบรมปัญญาด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมนี่แหละท่านมาทําอย่างนี้นะเอาเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วศีลก็คงรับกันแล้วใช่ไหมต่อไปนี้ก็เราจะได้ฝึกอบรมจิตต่อไปง่ายๆวันนี้จะให้คําแนะนําแต่เพียงง่ายๆนี่ขนาดหลวงตาบอกว่าเจ็บคอและจะพูดสั้นๆ น, นะอุตสาหพูดอย่างสั้นที่สุดเกือบชั่วโมง นะคือถ้าพูดสั้นเลยไปก็จะไม่จบไม่รู้เรื่องก็ต้องการให้รู้เรื่องน ะ, ะทีนี้ตั้งใจเจเริญภาวนาต่อไปนะอบรมจิตคุกเข่าขึ้นบูชาพระกรรมฐานหน่อยที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมโอวาทของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม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 เป็นผูน้อำนวยการศูนย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดขึ้นเป็นปีที่6สำหรับเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้ตามในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนากิจในกิจและ ทำในธรรมตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ไม่เฉพาะแต่การเปิดการอบรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นยังให้การศึกษาอบรมภายในวัดและภายนอกวัดภายนอกวัดก็เช่นการเปิดตามศูนย์พุทธภาวนาวิชาธรรมกายประจําจังหวัดต่างๆมีทั้งภาคใต้ ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั้นจะเป็นช่วงจาริศออกไปเผยแผ่ธรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณนอกจากท่านจะเดินทางไปควบคุมดูแลการอบรมโดยตรงแล้วยังได้ส่งลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งผ่านการศึกษาอบรมมาดีพอสมควรแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้สนใจตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่นหน่วยพุทธภาวนาวิชาธรรมกายประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั้นก็มีการจาริกไปเผยแพร่ธรรมทางจังหวัดอุดรธานีน้องบรมยขอนแก่นและ บุรีรัมม์ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพึงใจว่าสาธุชนที่มาเข้ารับการศึกษาอบรมนั้นก็ได้ความศรัทธาแน่นแฟ้นในพระธรรมไตรได้ฝึกหัดจิตใจอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งรู้คุณค่าของพระรรมไตรเห็นผลของธรรมปฏิบัติว่าการที่บุคคลประพฤติปฏิบัติธรรม นั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่ท่านตรัสไว้ว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเมื่อพุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติเมื่อใดผลคือการที่จิตใจสงบระงับและการแทงตลอดทึ่งอาการต่างๆหรือการเจริญปัญญารู้แจ้งย่อมจะเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็นสภาวะธรรมสภาวะของจิตใจของตนเองได้ ซึ่งสามารถที่จะฝึกปฏิบัติกันได้ไม่ประกอบด้วยการไม่ล้าสมัยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ทำยังไงก็ไม่มีผลไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการและเป็นสันทิฏฐิโกเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหคือผู้ศึกษาและปฏิบัต จะต้องรู้ต้องเห็นแจ้งด้วยตนเองไม่มากกว่าน้อยตามส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติน้อยจิตใจสงบระงับน้อยก็จะรู้เห็นสภาวะธรรมในขั้นห ย, ยาบหยาบถ้าจิตใจดิ่งลงในสู่สมาธิเพื่อการเจริญปัญญารู้แจ้งก็จะแทงตลอดในพระธรรมคำสอนหรือในทุกข์ในสมุทยัยในนิโรธ ในมรรคขึ้นไปตามลำดับอันนี้เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มอบเป็นมรดกธรรมให้แก่สัตว์โลกให้แก่ชาวโลกโดยเฉพาะชาวไทยของเรานั้นนับว่าโชคดีที่ในปัจจุบันนี้มีพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาดซึ่งเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวร อ, อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสน์ พระพุทธศาสนาฝ่ายเถราวาฏถ้าท่านสาธุชนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นก่อกําเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียหรือในชมปูทวีปและภายหลังต่อมาหลังที่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคหนึ่งพออีกยุคหนึ่งก็ถึงการที่พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรม ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนคือตกอยู่ในสามัญลักษณะคือมือเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เสื่อมไปพระพุทธศาสนาก็เช่นกันต่อมาพระพุทธศาสนาก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจันตะชนบทหรือประเทศปลายแดนอย่างเช่นประเทศไทยของเรานี้ถ้าจะนับกันว่าก็เป็นประเทศปัจจันตประเทศ ถ้าเทียบกันว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองในอินเดียอันนั้นเป็นมัชชิมประเทศนะประเทศของเราก็เป็นปัจจันตะชนบทมาจเจริญรุ่งเรืองก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชนชาวไทยของเราชาวพุทธที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยมาอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาและที่สําคัญก็คือเราได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่เป็นศาสนุปสามศาสนปถมภกและเป็นพุทธมามะกะนะเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นพระมาหากษัตริย์องค์เดียวในโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนมีความศรัทธามีความเคารพในพระรัตนตรยัยเหนือสิ่งอื่นใดจะเห็นได้จากพระราชกิรยาวัตรหรือพระราชการณียกิจที่พระองค์ สเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆนั้นก็จะเข้าไปกราบนมัสการพระธีรานุทถระพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้จะอยู่ในถิ่นธุระกันดานก็เข้าไปกราบไปสนทนาธรรมไปสอบถามปัญหาธรรมะกับพระผู้ทรงศีลทรงธรรมนี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยนะฉะนั้นท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะสุสันติอยู่ในขณะนี้นะ องเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยท่านใดที่ยังมัวนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ก็เริ่มได้แล้วที่จะเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติในหลักของศีลสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะได้เห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่ชาวโลกสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการ ร, รมสู่สันติก็หมดลงเพียงเท่านี้